ย้ำหายใจเลยเนาะเราหายใจมาแต่เกิดเนาะแล้วหายใจทิ้งไปเรื่อยๆยย้มรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหลวงพ่อเริ่มกรรมฐานนะเริ่มมาจากหายใจอนาปนาสติอนัปนสตินะั้นเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้ทุกเจริตนิสัย แล้วเป็นกรรมฐานแทบจะเรียกว่ากรรมฐานแม่กว้างกวางมากเลยครอบคลุมกรรมฐานอื่นๆเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยงั้นะถ้าใครทําอะไรไม่เป็นนะทำอาณาปณสติไว้ก็ได้อาณาปณสติก็คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปได้่อนะเห็นร่างกายเป็นหายใจอยู่ อั น, นาปานสติมปกรรมฐานที่กว้างมากเลยใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้มีกรรมฐานไม่กี่อย่างที่ทำอย่างนี้ได้สมถะก็ทำได้หมดเลยตั้แต่คานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปนาสมาธิทำได้ถึงชานที่สี่ต่อขึ้นอภิญญาได้ด้วยแลก็เป็นบาทเป็นฐานขึ้นอรูป ได้ด้วยวางขวางมากพลิกไปเป็นกระสินก็ได้เนะอาปัญญาเลรนี้มันพลิกไปจากกระสินอีกงจริงให้ทาวิปัสสนาก็ได้ทุกรูปแบบใช้ปัญญานำสมาธิก็ไดนะ้ใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้ด้วยอนาปนาสติเนี่ย เป็นกรรมฐานแทบหนูพ่อเรียกว่าแทบจะเรียกว่ากรรมฐานแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็บอกนั้นว่าทํากรรมฐานอะไรสุดท้ายตอนจิตจะรวมก็มาลงที่ลมอีกส่วนมากงั้นทำอะไรไม่เป็นก็หายใจไหมก็าหายใจอยู่แล้วแต่หายใจทิ้งทิ้งเปล่าเสียประโยชน์เปล่าหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวรู้สึกอย่างสบาย อย่าไปเคียงเครียดหายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆถ้ามันอื่นอันนะนึกยิ้มอะไรสักก่อนนะยิ้มยิ้มทำใจให้สบายทำหน้าให้ยิ้มยิ้มไเห็นพระพุทธรูปหน้าบึ้งมีไหมหายากนะเหน็นมาพระก็ยิ้มยิมเวลายิ้มยิ้มนะมีความสุข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 เรียนนะท่านท่านเจอหน้าครั้งแรกเลยท่านก็ถา ม, 02, ม, มาาา น, นั้นปีศูนย์สองทําไมเพิ่งมาป่านนี้เราเพิ่งเจ็ดขวบเองมาเลยวันนี้มันมาไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ไม่พามานี่ยทาไมเพิ่งพาเพิ่งมาป่านนี้ท่านอยู่ได้อีกสองปีก็สิน้นคือเวลาที่ได้เรียนกับท่านมันไม่มาก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 รูสิพลิกแปลงเอานะนับมันถึงร้อยเลยนับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ฝึกอยู่เรื่อยๆทีแรกนับได้ไม่กี่ทีนะก็ะเผลอไปลปะพอเผลอไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นับให้ได้ถึงร้อยฝึกอยู่นานเหมือนกันนะเป็นวันๆเลยกวนับหนึ่งถึงร้อโดยไม่เผลอจุดสําคัญคือความมีสติ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 ในการจัเคล็ดได้นต้องสบายๆทำสมาธิง่ายให้ใจสงบเนี่ยต้องสบายตอนหลังเนี่ยมาบวชแล้วนะานาสบายใจแล้วก็มาอ่านหนังสืออิธรรมดูอยากรู้ว่าอิธรรมเขาสอนอะไรก็มีสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเขาสอนไว้เหมือนกันปริยัตปฏิบัติเนี่ยถ้าพานาเป็นน่าจะลงอันเดียวกันได้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 นับอยู่สังอาทิตย์หนึ่งจิตก็รวมลงมาลมก็ตื้นตื้นตื้นกลายเป็นแสงขึ้นมาอยู่ที่จมูกเนี่ลมมันสั้นแล้วหายใจถึงท้องพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื้นตื้นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่พวกเรากิเลสแรงๆนะจิตใจเคลื่อนไหวแรงๆลมหายใจก็ต้องใช้เยอะใช้ออกซิเจนเยอะเวลาจิตเริ่มสงบเนีใช้ออกซิ เ, เจเ น, ออนน้อย งันลมมันจะตื้นตื้นตื้นขึ้นหายใจน้อยลงน้อยลงนะสุดท้ายกลายเป็นแสงสว่างลมมันหยุดปุ๊บกลายเป็นแสงอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยพอเป็นแสงแล้วไม่รู้หลักไม่รู้หลักไปสนใจอู้สว่างดีไปดูที่แสงนี่ส่งเฉียวออกนอกโดยไม่รู้ตัวพอไปดูที่แสงแสงนี้มันเคลื่อนออกไปก็ตามมันไปเรื่อย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 สงบบางทีร่างกายหายไปเหลือใจอันเดียวเพาไปต่อไม่เป็นขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นทำอยู่นานนะทำนานทำสมาธิอย่างนี้ยี่สิบสองปีได้แต่ความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านใหม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทาความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านใหม่วนเวียนอยู่ท่านิ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้ เล่นน้นเล่นนี้ไปได้วยเรื่องของสมาธิหาสาระหาแก่นสารไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นแต่ว่าเริ่มสังเกตเห็นเนี่ยตรงที่เราไม่ตามแสงไปนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาบางทีมันก็เห็นจิตส่งไปดูที่แสงพอ ร, รู้ทันมันก็ตัดการส่ง อ, อเข้าถึงฐานจริงๆในสมาธิได้ตัวรู้ขึ้นมา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 เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปหมดไปของความสุขอีกนะจะอเุเบกขาเบกขาก็เสื่อมได้อีกนะหมดสิ้นไปอีกจะมามีปีติมีวิตกมีวิจารณในจิตมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในองคนะ์ฌานนั้นเป็นการเดินปัญญาในฌานในในอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมาหรือแม้รเข้าไปไม่ถึงอัปปนาสมาธินะเรจะเห็นความไหวขึ้นกลางหน้าอกเนะี่ย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 ต่างคนต่างก็ทางานต่างคนทําหน้าที่แสดงใจรักไปแล้กิเลสเกิดก็จะเห็นอีกกุศลเกิดก็เห็นอีกนะกุศลหรือกิเลสก็เป็นสิ่งที่สติไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูในกําลังของคณิกะสมา ธ, สมาธิสมาธิชั่วขณะเอาเผลอเมื่มอไหลจิตก็จะไหลเข้าไปที่อารมณ์เช่นไปดูสติะระลึกรู้ร่างกายถ้าสมาธิมันมีไม่จะเห็นกายกับจิตแยกกัน ถ้าสมาธิมันเสื่อมคณนนิกาสมาธิเสื่อมเร็วนะจิตก็จะไหลเข้าไปอยู่ในกายอย่างดูท้องฟองยุบจิตไหลเข้าไปที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เทา้าอันนี้เพราะสมาธิมันเสื่อมไปแล้วนะถ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เป็นขณะขณะ น, นี้แหละนะก็จะเห็นว่ามันแยกออกมาเนะพราะสมาธิมันเสื่อมมันก็ไหลจิตก็ไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์อีก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 นี่เราถ้าเราทำชานไม่ได้นะเราก็มาฝึกให้ได้คณิกาสมาธิวนะิธีฝึกให้ได้คณิกาสมาธิก็คือทำกรรมฐานสะอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปก็รู้หรือหายใจจิตเคลื่อนไปก็รู้ดูท้องพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไปก็รู้เคลื่อนไปไหนได้บ้างันเคลื่อนไปสองอันใหญ่ๆอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์ที่จิตไปรู้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 ไม่มีราค่าโทสะโมหนะเกิดขึ้นเองในะสังขาริกังเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาจะให้เกิดจิตที่เป็นตัวรู้นี่เลยฉนะั้นจิตที่เป็นกุศลอย่างสูงนะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นเองคือตัวรู้นี่เองเป็นจิตที่เป็นกุศลชั้นสูงนะ เ, กสเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาประกอบด้วยปัญญา ประกอบด้วยปัญญาม น, นจะไปใช้เดินปัญญาเนี่ยต้องใช้จิตชนิดนี้จิตบางชนิดเป็นกุศลเฉยๆแต่ไม่มีปัญญาเนะช่นอีกเช่นที่จิตที่ไปจับสมมติจับแสงสว่างจับความว่างนะมีสติจับอยู่ที่ความว่างจับอยู่ที่ความสว่างนะจิตอย่างนั้นเป็นมหากุศลจิตนะแต่เป็นญาณวิปปยุทธ์หมายถึงญาณวิปปยุทธ์คือไม่ประกอบด้วยปัญญานะมันจับอารมณ์ไม่เฉย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 อีพวกหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิซะลึกเลยแล้วออกจากสมาธิมาคิดพิจรารณาร่างกายแล้วบอกคิดพิจารณากายเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเนี่ยหลวงปู่เทศก็เคยสอนนะคิดพิจารณาเนี่ยยังไม่เป็นหลวงพ่อพุธกพูดชัดเลยว่าสมาธิเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดการคิดนะยังคิดอยู่ไม่ใช่ต้องรู้เอาวิปัสสนาเพล่าเห็นเห็นอย่างที่มันเป็นถ้าคิดเอาเรียกว่าวิตกนะ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 แต่ว่าทุกวันนี้นะเราไปสถานการณ์มันเปลี่ยนนะพวกที่เรียนอยูหลวงพ่อเนี่ยมันรู้สึกตัวเป็นตื่นเมื่อหปีก่อนนะใครตื่นเนี่หลวงพ่อชมนะมาถึงปีนี้ใครตื่นนะธรรมดาใครใคราก็ตื่นนะใครไม่ตื่นนี่เฉยแหลกแล้วมาถึงวันนี้ตื่นอย่างเดียวไม่พอต้องแยกธาตุแยกขันเป็นด้วยไอนะ้พอตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวอยู่เฉยเใช้ไม่ไดนะ้ไม่เดินปัญญา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 สติระลึกรู้จิตไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติระลึกรู้เห็นมันทํางานหมุนไปทางถวาวรทั้ง6กนะมันก็เห็นว่าจิตนะมันทํางานได้เองมันแสดงใจรักเนะี่ยงความแล้วก็จะเห็นใจรักษของขันห้านะของธาตุของขันถ้าเห็นใจรักษของขันนั่นแหละมีปัศนากรรมฐานถ้าไม่เห็นใจรักษเห็นแต่ขันอย่างเดียว เห็นร่างกายอย่างเดียวเห็นท้องพองยุบอย่างเดียวเห็นมืออย่างเดียวไม่ใช่วิปัสนาจําไว้เลยนะนี่เป็นหลักนะเป็นหลักสําคัญไม่ใช่หลวงพ่อโมเมพูดเราเองนะในนักธรรมเอกตํารานักธรรมเอกของพระมีนะอันเนี้ยสอนเลยว่าถ้ายังเห็นแค่ตัวรูปตัวนามอยู่นะเป็นสมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาะในอภิธรรมก็สอนอย่างนี้หลองโมเมกันบอกว่าคิด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 ถ้ามันไม่เห็นคิดนำนิดหน่อยไดนะ้คิดนำนิดหน่อยเป็นอุบายไม่ใช่หลักนะเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตมันดูใจรักงั้นะไปฝึกนะข้อหนึ่งรักษาศีล5้าไว้ข้อสองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นนะนะั่นแหละข้อ3เจริญปัญญาดูความเป็นใจรักความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความบังคับไม่ได้ของกายของใจ